ทีนี้ต่อไปท่านผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นเครือาบดีบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เครือาบดีก็คือพวกอะไรสมัยใหม่เขาใช้คําว่านักธุรกิจเนี่ยนะนักธุรกิจผู้มีสติมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยนะเป็นพวกพ่อค้าที่ฉลาดมากสมัยใหม่ก็คือพวกด็อกเตอร์อะไรทั้งหลายแหละที่สูงสุดในสถาบันเหล่านั้นค้าขาแล้วร่ํารวยเนี่ยนะเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีฐานะมากเรียกว่าเครหบดีบัณฑิตเนี่ยนะ เช่นอุบาลีคหรหบดีเนี่ยก็เป็นผู้ร่ํารวยมากเลยเช่นนี่นะท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นผู้ละเอียดละ อ, อิสา ม, มารถปราบวัฏลัทธิทิฏฐิอื่นได้เหมือนอะไรเหมือนนายขมังธนูที่ยิงแม่นขนาดขนเล็กๆ ล, ล, ละเอียดละเอดเนี่ยนะขนทรายเนี่ยก็ยังยิงได้ครึหาบดีบัณฑิตเหล่านั้นเที่ยวทําลายมิจฉาทิฏฐิความเห็นอื่นที่นอกจากความเห็นของตน เพราะฉะนั้นพวกครหบดีบัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่นิคมโน้นบ้านโน้นแล้วเนี่ยครหายบดีเหล่านั้นก็พากันผูกปัญหาด้วยหมายใจว่าจะเข้าไปหาพระสมณะโคโดมแล้วก็ถามปัญหานี้หากว่าพระสมณะโคโดมนั้นถูกพวกเราถามปัญหาอย่างนี้จากพยากรณ์อย่างนี้เราจะยกวาทะอย่างนี้ถ้าเราถามอย่างนี้ถ้าเกิดพยากร์อย่างอื่นแล้วก็จะโยกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ ในที่สุดก็พระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ก็เข้าไปเฝ้าไปถึงแล้วโปรงก็ให้เห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยทำมีกระถาเพราะพวกครหบดีบัณฑิตเหล่านั้นถูกพระพุทธเจ้าให้เห็นแจ้งสมาทานอาถารร่าเริงกถาด้วยทำมีกระถามไม่ถามเลยจะยกวาทา ม, มาจากที่ไหนถามยังไม่ได้ถามเลยจะไปข่มขวัญพระพุทธเจ้ามาจากไหนกั่างนั้นอันนี้แหละข้าพเจ้าก็เลยสันนิษฐานแต่ว่าตกลงใจได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอันนี้เป็นเหตุผลอย่างที่สาอย่างสุดท้ายบอกท่านผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นสมณะพราหมณ์บัณฑิตบางพวกในโลกนี้ผู้ละเอียดลอะออสมณะบัณฑิตพวกนี้คือนักบวชพวกนักบวชทั้งหลายเช่นอรชดินสามพี่น้องหรือสารีบุตรในภาษาสารีบุตรปริชาชกนี่ก็นับว่าเป็นพวก นักบวชหรือใครเองที่เป็นนักบวช น, น, นะเช่นบริวารของพราหมภาวรีเนี่ยนะพราหมภาวรีเนี่ยพวกบริวารของพราหมณ์ภาวรีทั้งหมดสิบหกคนเนี่ยมีอาชีตมานพเป็นต้นหรือพราหมเหล่าอื่นเนี่ยนะเสลพราหมณ์หรือพวกนักบวชเหล่าอื่นที่มีบริวารเนี่ยเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยพวกสมณะบัณฑิตคือนักบวชเหล่านี้สามารถปราบลทัทธิทิฏฐิอื่น นะมีความแม่นยําทางสติปัญญาเหมือนกับสามารถยิงปลายขนสายได้พวกนี้เที่ยวทําลายวาทะของพวกอื่นเพราะฉะนั้นได้ข่าวพระพุทธเจ้าก็หมายใจจักไปถามปัญหาไอถามปัญหาอันนี้ก็ที่จริงก็หมายจะล่าสาวกนั่นแหละล่าบริวานล่าลูกศิษย์นะนะไปเพื่อแก้ไขพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าควรแกการสงเคราะห์ใช่ไหมแหมพระ อ, องค์มีความเห็นนอกรีดนอกรอยจากลทัทธิของตน เพราะฉะนั้นเรานี่มันเก่งเราต้องแก้ไขแก้ไขอะไรแก้ไขให้พระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกของตนของตนเนี่ยนะสมัยนั้นเยอะนะพวกนี้ต้องการแก้ไขพระพุทธเจ้าให้มามีความเห็นเหมือนกับพวกของตัวของตัวในที่สุดเนี่ยนะก็ไปถึงพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังอีกเห็นแจ้งสมาทานอานหารร่าเริงด้วยทำมีคถาพอจบแล้วขอทูลโอกาสกับพระสมณะโคดมบอกขอบวชเลยเนี่ยนะ ขอบวชเลยนะที่ไหนได้จะไปจะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกศิษย์มาเป็นสาวกอยู่ในกลุ่มเดียวกันในที่สุดไปถึงก็ไปขอบวชแล้วเนี่ยน ะ, ะเช่นใครบ้างนะส่งไปเท่าไหร่ก็ไปบวชมาหมดเลยเนี่ยนะไม่เหลือกลับมาเลยเนี่ยนะลักษณะนั้นพระสมณโคดมก็สามารถที่จะให้สมณบัณฑิตเหล่านั้นบวชเมื่อสมณบัณฑิตเหล่านั้นบวชแล้วในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เปลีก่ออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวโดยความไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นปฏิบัติอยู่ไม่นานนักก็ทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเนี่ยนะปฏิบัติตามอยู่ไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยเนี่ยนะซึ่งอรหัตผลนั้นเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมที่สุดแห่งอริยมรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะที่สุดของมรรคอริยมรรคก็คืออริยผลที่สุดของอรหัตมรรคก็อยู่ก็คืออรหัตผล อรหัตผลนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวชอย่างถูกต้องมุ่งหมายด้วยปัญญามันผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยนะก็สามารถตรัสรู้อรหัตผลด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบางพวกไม่นานนะักก็เป็นพาาระอรหันต์แล้วเนี่ยนะเช่นใครสุภัทธปริภาชกสุพัทธปริภาชค ก, ก็เพียงชั่วชั่วครู่เนี่ยนะไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะ พันสมณะบัณฑิตเหล่านั้นก็กล่าวกันอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเนี่ยนะยังไม่เสียหายสักหน่อยหนอแปลว่าอะไรยังไม่เสียหายเนี่ยถ้าไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเสียหายแนย่แต่ตอนนี้ยังไม่เสียหายเลยเพราะเมื่อก่อนเราไม่เป็นสมณะเพราะไม่ได้สงบบาปเลยแต่ก็เที่ยวอวดตัวว่าเป็นสมณะผู้สงบบาปสมณะนี่คืออะไรผู้สงบบาปใช่ไหม ่ผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะยังไม่สงบบาปก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเมื่อก่อนเราไม่ได้สงบบาปเลยแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่เป็นพราหมณ์คือยังลอยบาปไม่ได้เลยก็ยังปฏิญาณตัวว่าเป็นพราหมณ์ไม่เป็นธาตุหัน์คือกําจัดข่าศึกคือกิเลสไม่ได้เลยก็เที่ยวปฏิญาณอวดตัวว่าเป็นพระอรหันต์คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอะไรเป็นสมณะปลอมเป็นพรามปลอมแล้วก็เป็น อรหันตปลอมมาบัดนี้พวกเราเป็นสมณะคือผู้สงบบาปเสร็จแล้วบัดนี้แหลพวกเราเป็นพรามผู้ลอยบาปได้แล้วบัดนี้แหลพวกเราได้เป็นทาสหันคือกำจัดข้าสึกคือกิเลสภายในเสร็จสิ้นแล้วท่านผู้เจริญเมื่อใดข้าพเจ้าได้เห็นร่องรอยที่สี่นี้ของพระสมณะโคโดมแล้วเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิฐานได้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นท pues ้าวธหันตสำมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล <cruise kan. S 2> ้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้ท่านผู้เจริญเมื่อใดข้าพเจ้าได้เห็นร่องรอยทั้งสี่ประการเหล่านี้ในพระสมณโคดมเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็สันนิฐานได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นท้าธรรมตสมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะนําออกจากทุกข์พระสงฆ์ทั้งหลายก็ปฏิบัติดีแล้วเพราะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรผลตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเหตุผลที่ปิโลติกะปริภาชกนับถือพระรัตนตรยัยที่ยกย่องสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัยใช่ไหมตามที่ใครถามชานุโสณีพราหมณก็บอกว่าเห็นประโยชน์อะไรทําไมจึงเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมัน ของเราทั้งหลายที่มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนที่เราเรียนพระไตรปิฎกเนะี่ยต้องตอบให้ดีๆนะบางทีตอบไปตอบมาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยที่ไหนหได้ตัวเองอธิบายไม่ได้นั่นแหละมันก็ต้องพยายามอธิบายให้ได้ว่าเออที่เราศึกษาดียังไงมีประโยชน์อย่างไรนนะศึกษาไปแล้วจะได้รับประโยชน์ได้รับสาระทําให้ศึกษาเสียหายตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะอธิบายให้ตัวเองฟังให้มันลงตัวหน่อยเนี่ยนะเอาแต่ความเชื่ออย่างเดียวเดี๋ยววันหลังคนอื่นก็ เชื่อเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าศึกษาเพียงแต่ความเลื่อมใสเนี่ยนะบอกว่านับถอยหลังได้เลยว่าไม่นานก็เลิกถามว่าทําไมอย่างคนที่ศึกษาโดยที่ไม่เข้าใจความมุ่งหมายของคําสอนเนี่ยพอศึกษาไประดับหนึ่งก็เลิกเหตุผลที่เลิกบอกมากเกินไปยากเกินไปก็อธิบายจนได้เลิกเนี่ยนะแต่คนที่เขาศึกษาด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะยิ่งได้เหตุผลว่าโอ้ยิ่งต้องศึกษายิ่งต้องปฏิบัติตามยิ่งต้องเจริญถ้าไม่เจริญเนี่ย ตัวเองจะน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะทีนี้ชานุโสนีพรามเนี่ยนะพอฟังจบได้ฟังคำยกย่องสรรเสริญของปิโลติกะปริภาชกเนี่ยนะวัชยนะโคตเนี่ยก็บอกโอ้เรื่มใสเลยนะนเมื่อปิโลติกะปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสนีพรามก็ลงจากรถที่เทียมด้วยลา ที่มีเครื่องประดับขาวทุกอย่างทําผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมอัญเชลีไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วก็เปล่งวาจาตั้งนะโมสามครั้งว่านะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมนอบน้อมนี่เป็นชื่อนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วย ใจเนี่ยแปลว่าให้พระองค์สูงกว่าตัวเองต่ํากว่านอบน้อมด้วยการยกย่องสรรเสริญอันนัขอความนอบน้อมด้วยกายวาจาใจของเราจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนอบน้อมก็คือเป็นชื่อของนอบน้อมด้วยกายน้มโมเนี่ยนะนอบน้อมด้วยกายวาจาและใจนอบน้อมด้วยกายก็คือการกราบการไหวเป็นต้นนอบน้อมด้วยวาจาก็ยกย่องสรรเสริญพระคุณต่างๆนอบน้อมด้วยใจก็คือการ ตามล้ำลึกนึกถึงพระคุณด้วยจิตที่เลื่อมใสรอบรู้ในพระพุทธคุณแด่พระผู้มีพระภาคอันนี้พระมหากรุณาคุณนโมทสระพระวะโตเนี่ยนะพระวะโตเนี่ยพระกรุณาเน้นพิเศษคือพระกรุณาแต่จริงเนี่ยเยอะกว่านั้นอ่ะแต่เน้นพิเศษเพราะอะไรเพราะพระองค์มีใจกรุณาแสดงธรรมสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายอรหะโตพระอะไรพระบริสุทธิ์เนี่ยนะพระบริสุทธิ์อรหะโตนั้นบริสุทธิ์สัมมาสัมพุทธะ พระปัญญาเนี่ยนะก็นอบน้อมด้วยพระพระพุทธเจ้าผู้มีกรุณาผู้มีความบริสุทธิ์และผู้มีปัญญาเนี่ยนะก็ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระพุทธเจ้าผู้ผู้มีใจกรุณาผู้มีความบริสุทธิ์และก็ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเราตั้งนโมคิดอย่างนี้บ้างไหมนโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจของเรา จงมีแด่พระพุทธเจ้าผู้พระพุทธเจ้าก็ผู้มีใจกรุณาอารหันต์ผู้มีความบริสุทธิ์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สรงด้วยปัญญานิทะพูดย่อถ้าขยายพิสดารก็อรหังสัมมาอารหังก็11ในพระสัมมาสัมพุทโธก็เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะถ้าจะเอากว้างขวางแต่ในหลงน้อยที่สุดตั้งน้โมเมื่อไหร่ก็นึกถึงพระองค์ผู้มีความบริสุทธิ์มีกรุณามีความบริสุทธิ์แล้วก็มี ปัญญาเนี่ยนะนี่ย่อๆไว้ก่อนนะแต่ทีนี้ว่าย่อมันก็เหมือนกับอ่านหนังสือรู้แต่ชื่อเล่มอะ น, นะแต่ว่าถ้ายังไม่ลงรายละเอียดล่ะก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีกรุณ า, าพระ อ, องค์กรุณาสัตว์ว่ายังไงบ้างพระ อ, องค์บริสุทธิ์แล้วพระองค์บริสุทธิ์อย่างไรพระ อ, องค์ฉลาดพระ อ, องค์รู้อะไรอันแล้ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าจําหัวข้อเอาไว้ก่อนนะนะนอบน้อมสามครั้งนะนะโมทสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเนี่ยพอนอบน้อมเสร็ ก็คือแสดงว่าเขาก็เริ่มใสนะพอฟังจบปั๊บลงจากรถแหมามาปนมอัญชลีเลยเนี่ยนะอมพ้าเฉียงบาปนมอัญชลีนะโมตสสะปะคะวะตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจบประเด็นได้เลยเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าอะไรในบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะพึงสมาคมกับพระสมณะโคดมพระองค์นั้นแม่สรุปว่าเขาบอกว่าเท่าที่ฟังมันก็อยากเจอเหมือนกันนะ น, น ถ้าก า, การสนทนาปราศัยบางอย่างนั่นแหละจะพึงมีแต่เจอกันแลอาจจะได้คุยกันครั้งนั้นแลชานุโสณีพราหมณ์ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคืออดรดทนไม่ได้นะในไหนก็นไหนๆแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเหอะก็ไปถึงก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสนทนาปราศัยกันตามธรรมเนียมไปแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงกันพอให้ระลึกถึงกัน แล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็กราบทูลเล่าถ้อยคำสนทนาปราัยของตนกับปิโลติกะปริภาชคตามที่มีมาแล้วทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าคือปิโลติกะปริภาชคเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหตุผลหนึ่งกฉลาดระดับกษัตริย์อย่างนั้นก็อย่างพิเถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะฉลาดแบบพรามอาจารย์ทั้งหลายแหลเก่งๆทั้งนั้นเนี่ยนะ ถ้สมัยใหม่ก็ศาสตราจารย์ทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าหมดอย่างเงี้ยนะพระองค์จะเก่งขนาดไหนใช่ไหมครหาบดีมหาเศรษฐีผู้ร่ํารวยทุกคนเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าทั้งหมดมันก็จริงนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเมธะกะเศรษฐีเนี่ ย, มาาธธยไม่ต้องนับว่าท่านมีงเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องไปนับเลยเนี่ยนะนะเมธะกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีพวกเศรษฐีที่มีทรัพย์มากมีทรัพย์หาประมาณไม่ได้พวกนั้นสาวกพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะพ่อค้าทั้งหลายพ่อคากองเกวียน ถ้ากุญนมีตั้งห้าร้อยเล่มเนี่ยนะค้าขายจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งเจ้าของโรงงานเป็นต้นบุคคลเหล่านี้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าหมดเก่งๆทั้งนั้นเลยยังนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้แหละเหตุผลที่ข้าพเจ้าเลื่อมใสอันนั้นแล้วก็อันสุดท้ายก็คือดูสิพวกนักบวชลัที่ต่างๆนะตั้งใจจะอกระวายกปัญหาไปถามพระพุทธเจ้ากระว่าจะไปปราบพระพุทธเจ้าในที่สุดก็บวชตามพระองค์แล้วก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้านับถือใน พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าฟังอย่างนี้พระองค์ว่าไงเมื่อชานุโสณีพราหมณกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับชานุโสณีพราหมณ์ดังนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ข้อความเปรียบด้วยรอยเท้าช้างยังไม่ได้มีความบริบูรณ์โดยพิสดารอุปมานี้มันก็มันคือว่ามันไม่บริบูรณ์ทั้งหมดอะนะ มันดีเพียงบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแปลว่าก็ไม่บริบูรณ์นะนะดูก่อนพราหมณ์ก็แล่ท่านจงฟังข้อความเปรียบด้วยรอยเท้าช้างโดยประการที่บริบูรณ์โดยพิสดารเพราะนีก็เรียกว่ามาฟังข้ออุปมาแบบพิสดารซิเกี่ยวกับเรื่องรอยเท้าช้างจงใส่ใจเถิดเนี่ยเราว่าใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวต่อไปชานุโสนีพราหมณก็ทูลรับ พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า